ที่สวดไป็นกี้เรื่องของพัเทเธกรัตสูตรนะรัตสูตรนี้เป็นธรรมเทศนาที่พระเที้ไม่ได้ระบุว่าท่านแสดงทำแก่ใครแต่แสดงที่เชตวันเชตวันนี้ถวให้โดยอนาเทปินทิกาเศรษฐีตัวเขาเองเดิมทีก็ไม่ได้ชื่อว่าอนาเทปินทิกะนะ ไม่ใช่เศรษฐีสำหรับคนอนาถาหรืออะไรเนี่ยคือเขามีดินมีไร่มีนาเยอะเศรษฐีเนี่ยเศษฐีเนี่ยมจาจากคำว่าแปลว่าที่นานะคนมีที่นาเยอะทำได้เยอะก็เตรียมไว้ทำให้ฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็เอามาทานได้ทานให้กับผู้อื่นได้ เขาปราอาหารที่มีเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีแล้วเจ้าเชิดนี่ก็จริงๆเชิดตะวันเนี่ยเป็นสวนเศรษฐีเนี่ยซื้อมาจากอเป็นตระกูลเจ้านะแล้วเจ้าเชิดอยากขายที่ให้เห็นว่าที่มันดีป่ามันดีอยากอธถวายว่าพระพุทธเจ้าซื้อจากเจ้าเชิดแต่เจ้าเชิดไม่อยากให้ เขาเป็นคนเหมือนต่างศาสนานะแต่ก็ซื้อแปดสิบไร่แต่เขามีข้อแม้ว่าเขาจะขายที่อยู่เพี้ยงแต่ว่าถ้าซื้อที่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาตั้งชื่อวัดอ่ะเนี่ยให้ตั้งชื่อเขาเองตั้งชื่อคนขายเนี่ยแต่ต้นขายนี่ก็ขายแบบทนทณีขาย เขาว่าขายได้มีเงินเยอะเหลือถึงอยากซื้อฉันจะขายที่ก็ได้แต่ว่าเอาเงินมาแปะตรงพื้นดินแบงค์นะเอาเงินมาแปะไปตามพื้นดินว่าถ้าแปะได้กว้างใหญ่ขนาดไหนก็ขายเท่านั้นคนที้ขายแปลกกนะขายที่ดิน เ, เงินปูไปตามพื้นดินถ้าปูได้เยอะเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นถ้าปูได้น้อยก็ขายน้อย เท่าแมวดินตายนี่ก็ได้พอเพราะอื่นว่าอนาถิธิกเศรษฐีเนี่ยซื้อที่ดินด้วยความซื้อสัตว์ปูก็ปูไม่ฉลาดเหมือนเสียงเมี่ยงเสียงเมี่ยงหรือสีทนนชัยเนี่ยอันนี้เป็นแบบนึงบอกว่าจะให้ที่ดินเท่ากับแมวดินตายพระเจ้าแผ่นดินนะ กุ้งสีสัตนาคณหุ่เนี่ยเอาเชือกมาผูกแล้วมันก็ตีไปเรื่อยๆสิงเมียงแมวก็ดิ้นตายไปเรื่อยๆรืยๆโอ้ก็ได้หลายสิบลายลอยเล่ยจนกว่าแมวจะตายมันดิ้นไปเรื่อยๆแต่นี่พอเท่ากับเอาปูงเงินมาปู น, นี่ก็ก็ปูเอาเพื่ออย่างได้เยอะนะแผ่นดินที่เชตาวันเชตาวันนี่เป็นแหล่งก่อกําเนิดเกิดประสูติมากมายหลากหลาย คือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่วัดเนี่ยนานที่สุดในประวัติศาสตร์ถ่าไม่เคย ไ, ไปไหนอ่ะทั้งรู้จะยี่สิบกว่าพรรษายี่สิบกว่าปีทั้นธรรมะท่านก็สแสดงไว้เยอะในที่นี้รวมทั้งพระสูตรพระเทะสูตรที่เราสวดไปเมื่อกี้นะพูดถึงเรื่องไม่ให้ประมาทในวัยในชีวิต แต่หลักการที่บอกว่าสัพพะปัสสะกัลลังกุสละสู้ปะสัมปทาในบทนี้จําไม่ได้เพามาจากไหนเนี่ยแต่พระองค์ก็สอนคนทั่วไปวเราคงไปถามเรื่องหลักการในพระศาสนาและชั่วทำดีมันเป็นธรรมชาตินะมนุษย์เนี่ยและชั่วทำดีเนี่ยศา ส, สนาก็พุทธก็สอนเหมือนกันและชั่วทําดีแต่ว่าศาสนาพุทธจะเพิ่มเติมว่า ฝึกจิตตัวเองให้ขู่ถึงสภาวะธรรมที่หลุดพ้นได้ด้วยคนส่วนมากก็จะละชั่วทำดีคิดว่าศาสนาไหนก็สอนไม่ใช่พุทธศาสนานี่รู้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันติดอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราหลงหลงเวลามันคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ชอบมันชอบความคิดตัวเองนะเราสลัดมันไม่เป็นศาสนาพุทธเขาเพียงแต่ว่า เห็นรูปความจริงมีแค่รูปมีจิตจิตใจของเราเนี่ยมีจิตแล้วมีอารมณ์ที่กระทบจิตสติว่ารู้รูป <c oughs> วิญญาณเนี่ยระลึกรู้รูปเป็นอาการรรูปถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีความดับความเย็นอยู่ในตัวแต่ส่วนมากกระทบรูปแล้วเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งรูปให้มันยืดยาว มีรูปมีเวทนาสัญญาอุปทานรูปเวทนาสัญญาอุปทานขันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็เลยคิดว่าเรามีเราเปน็นก็ยืดยาวไปได้เรื่ล ย, ยบ่อยครั้งที่พระพุทธองค์ท่านสอนคนทั้งหลายที่มารวมทั้งลูกชายของท่านด้วยแล้วลองสังเกตดูดิชีวิตนี่มันไหลไปเพราะมันไม่รู้แบบตรงๆง อุชุปฏิปโนคือมันไม่กระทบแบบตรงๆและรูปตรงๆแต่จากรูปมันก็จะเป็นอืนอ่นๆเป็นอุปทานในรูปที่เราสวดไปเมื่อกี้เรื่องพระสูตรที่ว่าด้วยพระหุลานุศาสนีในพระใจบิดกเนี่ยมากๆคำสอนพระพุทธองค์เมื่อย่อแล้วรวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่พระหุลานุสาสนีนเนี่ยคือคำสอนที่ สอนมากๆคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนมากมีส่วนคือการจําแนกอย่างนี้ว่านะรูปังอนิจจังเนี่ยสอนเรื่องรูปเห็นรูปกระทบรูปให้เห็นเป็นอนิจนจังรูปอนิจนจังรูปอนัตตารูปอนิจจังรูปอนัตตาถ้ามันอนิจจังมาอนัตตาบ่อยๆจิตนี้ก็ไม่ต้องแบกอะไรก็เป็นสุญญตาจิตมันกระวางได้ ความหนักก็ยังไม่เกิดขึ้นกับใจรูปไม่ให้ยึดติดในรูปไม่ว่าจะรูปภายนอกรูปภายในคนหนึ่งไม่ติดเป็นคนสำหรับใช้รูปแต่คนหนึ่งไม่ได้ใช้รูปวันนี้แต่ติดรูปทะนุถนอมเอาใจใส่กับรูปยึดมั่นถือมันผูกพันอยู่กับรูปคนละนกันนะแต่คนผูกพันอยู่กับรูปก็เอาเจอรูปไม่ได้ก็ตก เป็นธาตุรับใช้รูปเรียกว่าไม่มีวันได้เกิดไม่มีวันได้ผดได้เกิดเพราะเราไปเกิดแล้วจิตเราไม่ไปผูกพันไปติดอยู่กับรูปนั้นนั้นเราก็ออกจากรูปไม่เป็นนที่ทําไงมันจีจะออกจากรูปได้มันทีอาการดารูปอาการของรูปเนี่ยอย่างเราเห็นรูปเปนรูปมันอุ่นรูปมันเย็นรูปมันง่วงเนี่ยรูปมันเบื่อ รูปมันขี้เกียจรูปมันหิวเราเข้าไปอยู่เป็นอยู่กับรูปทั้งหมดเลยอาการของรูปเกิดไในเราเราติดอยู่ในอาการนั้นรู้ธรรมะนี่ไม่ต้องรู้อะไรมากก็ได้นะไม่ต้องไปแยกแยะเฝ้าดูรูปที่มันเกิดดับเนี่ยเห็นรูปทุกรูปธรรมชาติเป็นยังไงอะรูปธรรมดาเนี่ยรูปธรรมดาเป็นยังไงรูปที่มีอุปทานเป็นยังไงเราสังเกตดู ในคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีมีท่านมีคำสอนของท่านอันลเลาะห์ท่านน บ, บีน บ, บีคือศาสดาอัลเลาะห์คือพระเจ้าอเ น, นี่เขาจัดว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องเฉพาะเป็นวิสัย วิสัยของศาสนาวิสัยของพระเจ้าเนี่ยแต่มนุษย์ของเราเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาพวกเราธรรมดาเวลาคนไปถามว่าทำไมท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยมีภรรยาเยอะจังมีตั้งสิบสามคนแต่ท่านอยู่ด้วยเอาใจใส่ดูแลจริงๆได้แบบสบายนะ่ก็สิบคนภรรยาท่าน แต่ในคัมภี์นะอนุญาตให้คนมีภรรยาได้สี่คนมีภรรยาได้สี่คนคืออนุญาตนะไม่ได้หมายว่าให้ไปมีเมียสี่คนไม่ใช่อนุญาตให้มีเมียได้สี่คนคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่นคนไปถามว่าทําไมอให้มีเมียเยอะจังไม่ใช่ให้มีไม่มีเมียแต่อนุญาตได้เะ แต่บางคนไปถามว่าท่านนละบีทำไมมีเยอะจงทั้งสิบคนทั้งสิบสามคนเขาวิสัยวิสัยของาศาสดากับเราเนี่ยมันต่างกันเราเนี่คือธรรมดาอาจจะพูดยัางไงาคือวิสัยการดูแลกันเอาใจใส่การให้ความสุข ก, กันไม่ทะเลาะบบกแ้งไม่อะไรประมาณนี้่าจะมี ความสามารถตรงนั้นเขาจะใช้คำว่าวิสัยเหมือนเราไปดูคำภีทางพุทธศาสนาบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยประสูติจากขันวิสัยของพระโพธิสัตว์คนที่จะมาตัดสรู้เนี่ยไม่ได้นั่งออกลูกเหมือนเราครอดเนี่ยยืนเนี่ยแล้วเดินได้เจ็ดเก้าแล้วทำนู่นทำนี้ได้เฮ้ททาไมเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อเขาจยใช้คาว่าวิสัย นิสัยของโพธิสัตว์ก็จะเป็นแบบนึงแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีคำสอนนะคำสอนว่าด้วยเรื่องภาษาคนภาษาธรรมภาษานี้มันมีภาษาศาสนากับภาษาของโลเคียภาษาที่ใช้ในสังคมทั่ ว, วไปนะ สองอันนี้เอาใช้ได้กันด้วยกันได้ไหมบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีต้องแปลต้องตีความต้องให้รู้ถึงความหมายบางทีเนี่ยอย่างเช่นเรื่องทางโลกเนี่ยเอา้าอย่างเดินได้เจ็ดก้าวเนี่ยทางโลกก็จะหมายถึงการเดินด้วยเท้าเห็นการก้าวด้วยตานะแต่ทางธรรมเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจิต การเ้าไปสู่ความเป็นพุท ธ, ธะเนี่ยคือตั้งแต่มันเกิดมรรคขึ้นมาเกิดมรรคผลขึ้นมาได้ดวงตาเห็นธรรมโอ้จิตมันอยู่แถวๆนี้แล้วมันไม่ไปแล้วทีเนี้ยมันเห็นเส้นทางธรรมของมันเองแล้วมันรู้แล้วว่ามันจะเดินไปทางไหนจิตก็จะมีอารมณ์เป็นเจ็ดตัหนึ่งเขาเรียกว่าบันไดเจ็ดขั้นนะบันไดเจ็ดขั้น ของคนที่จะเป็นพุท ธ, ธะคนที่จะหมดทุกคนที่ตัดสุลูตั้งแต่สติธรรมวิจัยวิทยาปิติปสัสสิสมาธิอุเบคาภาวะพวกนี้เป็นสิ่งที่มันมีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยเทา้าแต่มันเป็นการก้าวทางจิตเนี่ยที่คนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจก็จะเป็นภาษาขนซะแต่ภาษาธรรมนี่มันลึกมันลึกกว่านั่นอีกอย่างคำว่าจิตว่างจิตว่างทางโลกก็ว่างแบบไม่ค่อยคิดอะไรโอ้มันก็ว่างอยู่แล้วนะถ้าไม่คิดอะไรมันจะทำงานได้หรือนะสมัยหนึ่งมีท่านเครืกฤทธิ์ปราโมดเนี่ยไปเถียงออกสื่อออกอะไรนะแต่ก่อนเขาอยู่ในสยามรัฐ กล่าวท้วงติงคำสอนของพุทธทาสท่านพุทธทาสเอาคำสอนดึ่งจิตว่างมาพูดก่อนใครอื่นในประเทศไทยเนี่ยโดนคนนั่นคนนี้วาโยมกลุ่มของโยมบุญมีเมีทางกุนยมวิทยาเสวีพวกนี้คนนี้คล่ำวอดในวงการอภิธรรมโอถ้าจิตมันว่างแล้วมันจะทำอะไรได้คนเราเนี่ย ถ้าจิตว่างถ้าว่างว่างแล้วไม่มีความคิดเราไปทางานทำการเป็นหรือมันจะได้อะไรอ่ะอันนี้สอนผิดแล้วสู ญ, ญาตาไม่ได้หมอยว่าจิตว่างแจะไมายถึงตายหมายถึงสงบละจากโลกนี้ไป น, นู่นมังง้งเนี่ยคือคนนะคนตาบอดแล้วไปอธิบายในสิ่งที่มันมีอยู่จริงนะแต่อธิบายด้วยภาวะที่ไม่เคยเห็นด้วยตาที่บอดเนะี่ย มันไม่มีโอกาสนะที่จะพูดได้ถูกต้องกับลักษณะที่มันเป็นนะมันคนละอันกันอันภาษาคนภาษาธรรมว่าไม่ได้เหมือนกันภาษาธรรมะนี่เขาใช้คาว่าอัฏฐะอัฏฐะได้หมายถึงภาวะที่มันลึกอัฏฐะคือความลึกความลึกแล้วมันถูกปิดเอาไว้มันต้อง ไขปิิสนาหรือการเข้าสู่สัจธรรมอนี้คือต้องมีลายแทงถึงจะเข้าไปได้ต้องมีลายแทงน่ะมีเส้นทางเข้าไปต้องพึ่งสัจจะสภาวะเนี่ยเข้าไปข้างในถึงจะได้ทําไงเราจึงจะเข้าถึงงั้นก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่าเอออันนี้มันเป็นภาษาของศาสนาเอา จิตว่างจริงๆเป็นยังไงอ่ะผู้ศาันาก็จะบอกไว้หลายระดับบางจากความคิดจากหน้าที่การงานว่างทางกายว่างทางจิตจิตว่างโดยธรรมชาติอย่างเวลาหลับเวลานอนเนี่ยมันก็ว่างนะแต่ถามว่ามันว่างจากกิเลสตัณหาไหมบางจากอุปาทานขันไมยว่างที่เกิดจาก การชำระล้างมันสะอาดแล้วหรือมันว่างตามธรรมชาติมันว่างทบปล่อยวางเพราะมันเห็นทุกข์ไหมทีนี้การเห็นทุกข์เนี่ยแน่นอนอะ่ะแต่ละคนนี้เห็นทุกข์แหละจึงไม่อยากคิดแตาไม่อยากคิดนะเพราะมันทุกข์นะแต่ถามว่าไอ้ที่ไม่อยากคิดว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมั่นใจหรือว่าความรู้อันเนี้ย ความเห็นนันนี้เกิดด้วยปัญญานะทีนี้ปัญญาเป็นยังไงก็ต้องมาขยายอัฏฐะตัวเนี้ยที่มันปิดเอาไว้เนี่ยมันอัดเอาไว้ฉั้นปัญญาในวิสสนาจะขึ้นอยู่กับสมาธิทีเนี้ยถ้าสมาธิน้อยปัญญาก็น้อยสมาธิมากปัญญาก็มากทีนี้สมาธินี่ได้มาจากไหน呀 มาได้จากมาได้จากความเข้าใจถูกเป็นสมาธิมีการเจริญสติอย่างยิ่งยวดสังเกตดูดิเวลาเราสมาธิดีเนี่ยมันมีภาวะที่มันผ่านจากเวทนาไปจิตเรานี่มันผ่านเวทนาที่มันเข้มข้นนะสมมติเราไปทำความเพียรอะไรนานๆทำความเพียร น, นานๆ น, น, นะไม่ติดง่วงก็ไม่ติดเงาก็ไม่ติดเบื่อก็ไม่ติด คิดมากก็ไม่ติดมันผ่านได้เนี่ยสมาธิมันทําให้จิตเนี่ยมันตั้งมัน่นคนทั่วๆไปเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมัน่นพอาะมันไม่ตั้งมัน่นไหลไปตามอาการของเวทนาของรูปของสัญญานะเห็นไหมเวลาทําอะไรสักน้อยแล้วโอ้ยทําไม่ได้ละเดี๋ยวจะไปทําอันนั้นละเดี๋ยจะไปทําอันนี้นะขึ้สมาธิมันน้อยนะ สมาธิมันน้อยมันไม่พอเมื่อสมาธิมันน้อยมันก็ถูกกิเลสมันกล่อมเราให้ต้องไปทําอย่างที่มันคิดนั่นะองเราสังเกต ด, ดูดิเวลาตอนไหนที่เรามีสมาธิมันไม่ฟุ้งซ่านนะแล้วทําไมมันมีความสุขอย่างมีความสบายมีความสงบเยือกเย็นแต่พอสมาธิมันจางไปจางไป ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่มีให้ปัญญาที่เกิดจากการปล่อยวางเนี่ยมันไม่มีให้ดังนั้นอันนี้คือปัญญาปัญญานี้ได้มาจากสมาธิดงั้นคนทั้งโลกนี่มีสมาธิไม่ไม่ไ ม, มีมันมีอยู่ชั่วครู่เดียวควัญขณะเดียวแล้วมีตัวตัวอยากเนี่ยล็อกเอาไว้หมดมันจะให้เกิดการปล่อยวางได้ตื้นตื้น การปล่อยวางเนี่มันจะทำได้เพียงตื้นๆอยู่ผิวเผินนะมันไม่ได้ลงลึกพอทีนี้ภาวะของการเห็นแจ้งในสัจธรรมเนี่ยมันก็ปรากฏไม่ได้เพราะว่าสมาธิมันไม่มีเราจึงพยายามบอกว่าให้ระลึกรู้ให้ต่อเนื่อง เราพยายามและลึกรู้ให้มันต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อจะให้ก่อเกิดเป็นตัวสมาธิไอ้ตัวรู้เนี่ยเพราะเมื่อมีสมาธิมากๆมันจะเกิดยถาภูตยานมันเห็นเท่าที่มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาก็เห็นตามนั้นเห็นตามนั้นเห็นตามนั้นมันก็ยังมีเกิดนะมันยังมีเกิด แต่เกิดเท่าไหร่ก็ปล่อยมันดับไปเท่านั้นนะได้เพราะมันยังมีความอยากตัวอยากคือเชือ้อเชื้อที่ทำให้กิเลสมันเกิดทำให้ตัณหามันเกิดคือถ้ามันมีเชือ้อมันจะเกิดภาะวะแบบนี้เรื่อยๆมนุษย์ที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเรายังหลงเข้าไปอยู่ในกระบวนการของการเกิดอยู่เกิดพบเกิดชาติเรื่อยๆเรื่อยๆกนะารมาพบ รูปประพบอรูปประพบเนี่ยไม่แต่เวลาเราทําความเพี่ยนเนี่ยเราไปติดในบางคนไม่ติดกรรมนะยไม่ติดรูปแต่ติดในความสบายมันเพลินนะอันนี้เขาก็เรียกอรูปประพบอรูปประพบนี่ยมีสี่สภาวะจะมีวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันคเคลิมเหมือนจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนะ จะมีเวทนาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงนะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนความว่างเป็นเหมือนอากาศนะว่างไปหมดนะสิ่งที่กระทบปัสสะไปเป็นความว่างแต่นั่นค่ะเดียวกันเป็นความรู้สึกยึดติดเป็นภาวะของเวทนาขันในเนี้ยแต่จิตเรามันหลงเพลินเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้น แต่ในตัวเวทนาเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเป็นเวทยิตะนิโรธอาการของตัวเวทนาเนี่ยเราเคยได้ยินนะสุขขเวทนาทุก ข, ขเวทนาอทุก ข, ขมาสุขะเวทนาบางทีไม่สุขไม่ทุกขแต่เป็นอนิจชาอนิจชาพิสังขัญ คือสภาวะที่มันเป็นสมาธิอย่างยิ่งจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิมากแต่ว่าเผอิญว่าเรามองว่ามันเป็นตัวตนแล้วจิตเราไปหลงเสพอยู่แบบนั้นเราไม่ได้เสพรูปนะไม่ได้เสพแต่มันติดอยู่ในภาวะสัญญาจิตในภาวะที่จิตเราไปหลงหลงอยู่ในความสงบ ข้อดีว่าอเนเชาพิสังขันเป็นภาวะที่มันไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวคือมันเหมือนเหมือนแข็งนะสมาธิมันแข็งเกินไปสมาธิของพุทธะนี่จะเป็นปริสุทธโธกรรมริโยสมาหิโตมันตั้งมั่นนะแต่ว่านอ่อนโยนถ้าเราไปปฏิบัติทำทําความเพียรมีสมาธิแต่มันไม่ได้อ่อนโยนมันแข็งทื่อ นั่นเขาเรียกว่าเริ่มเห็นสมาธิเป็นตัวตนสมาธิแบบนั้นจะไม่สามารถชำระล้างกิเลสได้แต่มันเป็นภาวะเป็นอาการที่ครองใจเราอยู่เป็นชั่วครู่ชั่วขณะบางทีมันนานนะเป็นวันก็มันไม่ออกจากสมาธิได้คือเสพแล้วมันมีความสุขแล้วมันเพลินอยู่ในอารมณ์สมาธินั้นมันไม่ออกได้บางทีสองวันสามวัน วันทีหกวันเจ็ดวันบันทีเป็นเดือนถ้าเข้าสมาธิ ม, มากๆเป็นปีปล่อ ย, อยทั้งมันดับไปเองอยู่ในสมาธิจนทั้งสมาธิมันดับไปเองอจะไม่มีอะไรคือตัวเราปล่อยมันตายแต่ตายอยู่ในสมาธิแบบนี้ไปซึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอเนจาพิสังขารบบนั่ะไม่ใช่มรรคผล ดังนั้นพระพุทธองค์พอท่านตัดสรู้ว์ท่านเข้าใจเรื่องพวกนี้โอ้พวกนี้ติดอยู่ในอเนจิชาพิสังขารนะเนเองแต่ในศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งบัญญัติสภาวะนี้เรียกว่านิพานพระพุทธเจ้าก็ตัดสรู้เหมือนกันท่านรู้เหมือนกันนะรู้นิพานเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้รู้เมื่อท่านไม่ได้ยึดเอาอันนั้นว่าเป็นนิพานมันยังมีอยู่อีก อย่างเงี้ยเหมือนกันคนทั้งหลายัญหััดคำว่าว่างจิตว่างจิตว่างไม่ลุ่มลึกพอไม่เข้าถึงว่างของพระพุทธเจ้าว่ามีมากมายหลากหลายนะไปจูดสู่จุดที่หมดความเป็นอัตตาหมดความเป็นอัตตาไม่ว่าจะเป็นอัตราน้อยอัตตาใหญ่ อัตาน้อยก็คือว่างในน้อยอัตตาใหญ่ก็คือว่างแบบเป็นสมาธิแข็งเลยพระพุทธเจ้าตรนว่านี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ภาวะที่จะถาคตสอนไม่ได้อยู่ในคำสอนของธรรมวินัยเนี่ยอันนั้นเป็นสภาวะที่สาธารณคนไหนก็พอทำได้แต่ธรรมะอันนี้จะเป็นเฉพาะอริยชนขึ้นไปสภาวะธรรมเนี่ยเป็นเฉพาะอริยชนขึ้นไป บุคคลที่มีสภาวะจิตที่เห็นด้วยปัญญาเห็นไหมที่เรามาปฏิบัติทำเราหาปัญญาคือต้องการสภาวะของมันรวมกันนะศรัทธาวิทยาสติสมาธิรวมกันและเกิดการเห็นแจ้งคือปัญญาหรือบางทีสติสังเกตและลึกรู้สังเกตและลึกรู้สังเกต เราเพียนได้ต่อเนื่องจนดตรงว่าพอเพียนมากเข้ามาเข้ามาเข้าตัวตัวรู้นี่มันกลับกลายเป็นภาวะที่มันอิสระมันอิสระในการดูดูตัวทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวคิดตัวปรุงแต่งเราเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องอาศัยการกําหนดรู้ต้องเฝ้าดูแต่พอมีอันนี้ปุ๊บไม่ต้องเฝ้าดูไปไหนมาไหนมันเป็นเองนะ เห็นมันเองนานเข้านานเข้านานเข้าเอ้าถ้ามันเกิดการเห็นการเกิดดับมาเนี่ยสักหลายๆครั้งหน่อยนะพลังสติเข้มแข็งเนี่ยสภาวะของตัวรู้กับตัวไม่รู้เนี่ยมันจะแยกออกจากกันชัดเจนเหมือนน้ากับน้ํามันเนี่ยมันเหมือนอยู่ด้วยกันน่ะแต่มันคนละภาวะน้ํามันมันจะขึ้นข้างบนมันเบาเมื่อก่อนเนี่ยมันแยกแยะไม่เป็นมันก็อยู่ด้วยกันน่ะ สภาวะจิตอันนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละเราทำโยธงว่าสภาวะ น, นี่มันแยกออกจากกันถ้าทําได้แบบนี้นี่เราจะเริ่มรู้จักอาสวะแต่ถ้าแยากออกจากกันไม่เป็นเนี่ยอาสวะทำทั้งหลายเราก็จะมีความเข้าใจด้วยกันตรึกตามอาการเราใช้ตะ ก, กะมองตามอาการโอ้ท่านว่าอาสวะเป็นนี้เนาะ อ, อันนี้เป็นพงเป็นอ น, นุใสเนาะเป็นอะไรประมาณนี้นะ อย่างอนุใสเนี่ยมันเป็นสภาวะของของจิต ท, ที่มันเป็นสมาธิแล้วมันเป็นสมาธิมันไม่ค่อยมีความคิดละมันว่างวันหนึ่งเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ในความว่างโดยส่วนมากอันที่ตัวไม่ว่างคือคิดนี่ก็คิดน้อยๆเต็มทีอะ่ะ ว, ว่างๆน้อยๆภาวะแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มรู้จักอนุสัย คือสิ่งที่มันจะค่อยๆซึมม อ, อกมาจากใจเราอ่ะแีนี้เราไม่ได้ใส่ซึมออกมานะเ น, นี่ยอยู่ๆก็ตูมตๆมมาเลยนะแล้วแต่มันจะคิดนะแล้วแต่มันจะปรุงแต่งสภาวะอันนี้เขาไม่เรียกว่าอนุสัยนะอันนี้เป็นพ่อกิเลสอันเนี้ยอเป็นโคตเป็นเง่าเป็นตัวเป็นตนเขาเลือกให้ชื่อมันต่างกันไงเพราะว่าเป็นนิวรณละธรรม ถ้าผ่านตัวนี้วอนไปได้เขาก็เรียกว่าธรรมะตัวอื่นนะเรียกว่ากิเลสเรียกว่าตัณหาเนี่ยพวกนี้ยยังไม่เรียกว่าอนุสัยยังไม่เรียกว่าอาสวะเพราะเพระมันตัวตนมันข้างนอกมัน ม, มันดื้อเกินพุทธศาสนาเนี่ยมเมติกิเลสก็เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนพวกเรานี่จะมีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าข้างนอกเนี่ย เสื้อแจ็คเก็ตเสื้ออะไรน่ะเสื้อกันหนาวเป็นอีแบบนึงถ้าขยับเข้าไปเนาะก็จะมีเสื้อข้างในขยับเข้าไปก็เป็นเสื้อกล้ามเสื้อชั้นในเสื้อเนี่ยเห็นไหมมันลึกเข้าไปเรื่อยๆในพุทธธรรมนี่ก็เหมือนกันนะสภาวธรรมที่เราไปรู้จากจิตเราที่มันเป็นเปลือกก็จะมีหลายระดับสติสมาธิที่เรามีในการที่จะเอามาทำลายกิเลสก็มีหลายระดับเหมือนกันนะนะเครื่องมือสังเกตดูดิเรามี อมีดตัดผมมีแบตเตอรี่มีก็ต่างหากนะทีนี้พอจะโกนหัวนี่ก็มีแบบหนึ่งทีนี้มาโกนหนวดก็เป็นแบบนึ่งเราเคยเห็นนะเวลาโกนหนวดเขาจะมีแบบหนึ่งแต่ก่อนก็มีใบเดียวเขียวๆเดี๋ยวนี้มันก็มีขาวๆมียินเล็ดมีอะไรต่าง แต่ก่อนใบเดียวยีเด็ดเดี๋ยวนี้สองใบเดี๋ยวนี้มาสามใบแล้วเขาก็จะพัฒนาขึ้นเีื่อยๆทีนี้ถ้าตัดขนจมูกล่ะทำไงอะใช้มีดโกนๆได้ไม่ได้ก็มีแบบนึ่งเนี่ยนั้นสติปัญญาในการชําแรกกีเด็เนี่ยมันต้องมีหลายสภาวะต้องมีความละเอียดอ่อนคือสามารถสอดแทรกกันไปได้ทุกอันไม่ใช่จะมารู้แต่มือแต่ตีนอยู่ประมาณเนี้ยไม่ใช่ ไม่จะรู้ก็รู้แต่ลมหายใจไม่ใช่แต่สามารถชอนไฉสอดแทรกเข้าไปในทุกอุปทานที่มันไปหลงจมุมที่เขาเรียกว่านิพเพธธรรมนิพเพธแปลว่าสำแร็สอดแทรกก็ไปได้สามารถเห็นได้จิตแล้วมันติดอันไหนเนี่ยติดราคะก็รู้ติดราคะมันปลอมมาบางทีชอบเสื้อผ้าสวยๆชอบอาหารดีๆชอบไปเที่ยวเพลิดเพลินทั้ง คือสรุปก็คือมันอยู่ที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมันปลอมตัวม า, างไงแล้วก็ดูมันออกอชอบใส่ของแพงๆนี่ชอบคิดชอบปรุงแต่งชอบติดสงบพรเห็นมันเห็นมันแล้วก็สลายมันเป็นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ดับไม่ได้ฉะนั้นสติปัญญาของเรามีเนี่ยต้องแหลมคมอย่าที่ว่าแหละเออเราก็เหมือนว่าเรามีปัญญาเนี่ย ในภาษาคนปัญญาของเราเป็นแบบหนึ่งนะทําการทํางานความจําส่วนมากความจําและก็ความคิดแต่ความจําความคิดเนี่ยมันจะอยู่ตื้นตื้นมันไม่ลงลึกนะแต่ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะแยกว่าเป็นปัญญาโลกียะปัญญาโลกุตระจากนั่นมานะเป็นปัญญาพุทธศาสนาเริ่มจากปัญญาโลกุตระทีนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้พอจะมีปัญญาในระดับโลกุตระนะจะมีปัญญาแต่โลกียะนะ คือไม่สามารถที่จะแยกแยะออกรู้ได้ว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันต่างกันยังไงอืมไม่สามารถที่แยกว่ารูปรูปประทัดรูปธาตุที่มันบริสุทธิ์ที่มันไม่มีอุปทานเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่เรามานั่งเฝ้าดูเอารูปมันจะมีอาการของรูปที่มันเกิดเสื่อมไปโดยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดได้มันก็เสื่อมได้มันไหลไปโดยธรรมาพระของมันเอง เออถ้าเราเห็นอย่างนี้มันก็ปล่อยวางได้แต่นี้สมาธิเราไม่พอเวลารูปแปลเปลี่ยนเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารเป็นวิญญาณแต่เป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นแก่เนี่ยจิตมันไหลไปทันทีคือสมาธิมันไม่พอเมื่อสมาธิไม่พอจะให้มีปัญญาก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีส่วนเพราะมันไหลเข้าไปในอาการของเวทนาขันไปหมดแล้ว นั้นจิตเราต้องตั้งมันวิธีฝึกก็คือเอาพยายามอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละนะอยู่กับปัจจุบันชีวิตเราเนี่ขอจะมีวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่ามากพอละเขาต้องมาพัฒเกรตะนะผู้มีราตรีเดียวจเจริญสอนให้ประมาทไม่หลงไหลในวันเวลานะความสุขเกิดจากการหลับการ น, นอนการใช้ชีวิตกันติดเพลิดเพลินใน ความใคร่ความอยากทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายนะใส่ใจที่อยู่กับปัจจุบันให้มากถ้าสติมันมาก แ, แล้วลรวลึกรู้อย่างนี้ปุ๊บทุกอย่างกิเลสมันก็ไม่มีที่เกาะนะกิเลสมันมีที่เกาะเพราะใจเรามันคดเคี้ยวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะอะไรประมาณนะั้นมันก็มีที่เกาะเหมือนไม้เนะี่ยแหละที่มันเป็นกระปุดกระปัมเป็น โคดเขี้ยวงดเงี้ยวยังไงนุ่จะมีที่เกาะที่ห้อยเขาห้อยถุงห้อยอะไรเสื้อผ้าห้อยอะไรนี่แต่ถ้าไม่มีเลยนะรูปก็คือรูปเวทนาก็คือเวทนาสัญญาสัญญาสังขารคือสังขารวิญญาณก็คือวิญญาณนี่ยกระทบผัดสัเนี่ยมันก็ไม่มีทุกข์อาศัยนะทุกข์ไม่อาศัยเราดูดิตามหินตามอะไรต่างๆตามกำแพงวัดเนี่ยนกมันไป กินต้นใส่แล้วมันไปขี้ใส่เรียกว่าใส่ขี้นกฝรั่งขี้นกอย่างนี้พอไปกินแล้วไปขี้ใส่มันก็ปรากฏตั้งอยู่นะมันงอกได้คือถ้ามันไปขี้ใส่พื้นเราปูกระเบื้องเราจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีทางงอกตีมันงอกเพราะมันมีความสลับซับซ้อนภายในความคิดจิตเราเนี่ยมันมีความซับซ้อนภายในมันมีอุปทานอุปทานก็คือ มันเหมือนตะไครน้ำเหมือนอะไรยีปกติจิตนี่มันจะเฉยเนะมันจะว่างๆใจนี่มันจะเป็นธรรมชาติของมันแต่พอมีกิเลสไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดติดเนี่ยเหมืนอนกำแพงเหมือนอะไรของวัดเราเนี่ยเวลาตะไครน้ำมันไปเกาะบ้างใบไม้ไปค้างบ้างเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันจะงอกต้นไม้ขึ้นมา นั้นมเมล็ดพืชในอากาศเนี่ยในโน้นในนี่มันมีแล้วมันพร้อมที่จะงอกจะเงยจะเกิดอยู่แล้วนะไม่ใช่มันไม่มีนะเหมือนกันธรรมะในโลกนี้มันก็มีอยู่แล้วธรรมะเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเกิดแต่คนไม่ให้โอกาสตัวเองส่วนมากพื้นที่ใจของเราเนี่ยกิเลสมันเอาไปครองละทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งจิตเป็นอุปทานจมอยู่กับความคิดความอยากอย่างเดียว ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นน่ะเนี่ยจะจะให้โอกาสมันตอนไหนมันได้มีอย่างโอกาสจะไปวัดไปวาก็ยากละเนี่ยเห็นไหมคือกิเลสเข้าไปครองหมดแล้วทั้งหัวคิดทั้งอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจมอยู่ในความรู้สึกแบบความเป็นอัตตามันเกาะเกี่ยวไปหมุดน่ะจะเร็วมันมันไม่เป็นอุชุจิตตังถ้าไม่เป็นอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโกความเพียรที่จะทําให้เกิด ปัญญาก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันก็จะไปเกาะเกี่ยวเกาะตรงนั้นบ้างเกาะตรงนี้บ้างอ่าพอเกาะไปกาะมาเรื่มเป็นลําต้นละพอลําต้นแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเราก็คือจิตคือความว่างกําแพงคือกําแพงไม่เป็นกําแพงะกําแพงมีต้นใส่ก้นกาวฝาก้นไม้ที่จริงไม่ใช่มันไม่ใช่ของเดิมมันเป็นของที่มาใหม่ใจก็เหมือนกันนะเราก็เห็นใจโอ้ใจไม่สะอาดเนาะแต่เราไม่รู้จักนะ ส่วนเราใจเราคิดเราผูกพันอยู่กับลูกกับเมียกับผัวกับครอบครัวเนี่ยแทนที่จะรู้จักมันโอ้ใจเดิมๆมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นซะมันไปเป็นใจมันไปเป็นทุกข์มันไม่มีความสุขใจมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เนี่ยถามว่าเป็นใจเดิมๆแท้ๆไหมไม่ใช่อ่ะแ้่บางทีภาษาคนห่างหน่ยให้ดูใจนะใจใจเดิมแท้ๆนั่นแหละคือใจว่าง หน้าตาของจิตเราแท้ๆเดิมๆเนี่ยที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเขียนคิ้วทาปากคือใจว่างๆใจสบายๆแต่ที่เขียนคิ้วทาปากเข้า่าใหม่คือใจปรุงแต่งใจเป็นปรุงแต่งทีนี้เองความว่างอืมของเราเองนี่จะรักษาว่างได้แบบสบายๆแบบนี้น้อยๆแต่จะไม่ว่างจากอุปท า, านไม่ว่างจากความยึดมั่นถือมัน ไม่วันจากการผูกพันอะไรสักอย่างอย่าเรมาทอดกรถิ่นเนี่ยโอ้ยไปได้วันเดียวเท่านั้นแหละโอ้ไปได้ต้นเจเช้าหรืตอต้นบ่ายต้องรีบกลับแล้วต้องมีภาระหน้าที่อนี้เนี่ยนะคือมันไม่มีสมาธิพอที่จะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกได้พระสงค์ท่านจึงมีธรรมเนียมมาหนึ่งคือทุ่ดงเที่ยวไปที่โน่นบางที่นี่บงังเพื่ออะไรเพื่อเกิดการสลัดการปล่อยวางลองดูนี่ ศึกษาชีวิตแบบมีอะไรกับไม่มีอะไรมันต่างกันยังไงอ่ะหนึ่งมีมีอะไรอะไรก็คือมีความจันไหลอยู่ในตัวในจิตอะไรคือจันไหลไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันไม่เหมือนมันไม่มีภาวะที่รบกวนจิตเหมือนตัวไรนะ่ะเราเรียกว่าตัวที่มันเข่าคันยุกยุกชี้ชี้กนเราเรียกว่าตัวไรนะ ตัวอะไรถ้ามันได้มีตัวอะไรเข้ามาเหยอกจับเขาก็เรียกว่าอะไรเป็นไงไ ม, ม ไ, ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาจับมาเกาะมาเกี่ยวจิตมันก็ว่างเลเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวจังเลเข้ามาก็จะแย่แล้วนั่นเวลาพระเขาให้พรอนเนี่ยสปิทิโยวิวัชันตูความจังเลทั้งปวงจงบํำลาดไปนี่จงใ่ไม่มีตัวจังเลยนี่อยู่ในใจแต่เราก็ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจแล้วก็ไปเกาะเกี่ยวเอาตัวจังไรมาใส่ใจตลอดเวลาถนะจะเป็นความเพลิดเพลินที่จริงแล้วก็คือจิตมันไปมีอุปท า, านเองนะมันสร้างเงื่อนไขเก็บไว้ทีลนะน้อยเก็บความรักความชังเป็นกบเป็นเก็บเขาแล้วเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับนะไม่รู้กี่กลับนะอยู่ในใจเราอกับความคิดภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าภพมันเป็นภพจินชาติเป็นภพชาติที่ฝังอยู่ในใจ เก็บ่อนลึกไวในใจแล้ว น, นั่นก็เอามาเปิดเล่นเปิดขึ้นมาเขยิ้มยิม้มแย่มใสบางทีเปิดเห็นเรียกว่าเป็นสมบัติตัวเองนะเปิดไปเห็นความโศกก็โศกนะเปิดเข้าไปเห็นหน้าคนรักก็รกักเห็นหน้าลูกหน้าหลานทรัพย์สมบัติก็ไปไหลไปทำอาการนะแต่โดยสัจธรรมคือมันทําลายกับปะอันเนี้ยเขาเรียกว่าทํำลายภพทําลายชาติต้องเกิดวิปัสสนาญาณ พุทธศาสนาเนี่ยคือการทำจิตให้เป็นสมาธิและเกิดปัญญาคำสอนสุดท้ายของพุทธศาสนาที่พระองค์ท่านสอนไว้เนี่ยได้แก่ปัญญาเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ได้สมถะเจโตสมถะสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีสมถะแล้วก็มีวิปัสนาวิปัสนาก็คือ ไอ้ตัวสมาธิตัวรู้ตัวจนะทั่งว่าเกิดปัญญาญาตเห็นแจ้งแล้วเนยนะสมถะวิปัสนามีปัญญาปัญญาพัฒนาขึ้นมากๆขึ้นปัญญาพุทธศาสนาวัดตัวไหนปัญญาพุทธศาสนาเขาจะวัดตรงวิชาสามปัญญาเนี่ยคือวิชาสามนะตั้งแต่ ปุ่บเพเห็นอดีตแล้วจิตสามารถทําลายสลายความรู้สึกตัวที่มันสะสมไว้ในจิตอดีตนี้ได้มันไหลยออกไปเมื่อที่เขาเรียกว่าคนระลึกชาติระลึกชาติก็คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวระลึกออกมาแล้วก็สลายไปสลายไปแล้วก็ดับหายไปนะแล้วก็มีจุตูปตาจารสามารถสกัดดับเห็นภาวะที่มันแอบไปเกิดนะจิตนี้มันที่แอบไปเกิด เนี่ยไปเกิดนั่นไปเกิดนี่ตลอดคือมันไปเกิดเป็นภพเป็นชาติแล้วสามารถทำลายภพชาตินั้นใดของจิตใดอันนั้นแหละคือปัญญาขั้นสองเเรียกว่าวิชาสามแต่ตัววิชาสามคือดูไอตัวอาสะวะที่มันคอยซึมมองมาอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นมันก็หายไปถ้าไม่เห็นมันก็ไม่หายหรือบางที เราสังเกต็ด น, นะน่ะนิสัยตัวนั้นตัวนี้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครกับมันนะเอหลังจากเราทำลายกิเลสความอยากข้ามโคตรของความเป็นปุตชฌ์สู่เป็นความเป็นอริยะแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีซึมหมอกทำอะไรมันจึงจะหยุดซึมอไปดมดูน้ำมันในตะเกียงนะ่ะเออมันยังมีกลิน่นเขาน้ํามันอยู่นะแต่นั้นมันไม่มีแล้วมีแต่กลิ่นมันนะ่ะทําไมจะเอากลิ่นมันออกไปได้นั่นแหละคือหน้าที่ของอาสวะกยายาน ปัญญาเนี่สามัญนี่ถ้ามันปรากฏเกิดขึ้นนั่นแหละคือปัญญาที่ีทางโลกนี่มีปัญญาพอที่จำนายนี่ไหมเราเข้าใจว่าปัญญาปัญญาปัญญาทางโลกเนี่ยแต่ปัญญามันไม่ถึงภาวะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัญญาไหมมันก็ไม่เรียกว่าเป็นปัญญาก็เหมือนเรียกอะแต่เป็นโลกียะคือมันไปไม่ได้แล้วก็สามารถไม่สามารถที่จะแก้ทุกข์ได้ดับทุกข์ดับกิเลสไม่ได้ตัณหาไม่ได้ถ้าอยากได้ก็อย่างว่านะ่ะ ต้องใส่ใจศึกษาเรียนรู้ศึกสติปัฏฐานทำให้เกิดวิชาปัญญาวิมุตตหลุดพ้นเดี๋ยวได้เพราะว่าตัวพุทธศาสนาแก่นแท้ที่เป้าหมายไปให้ถึงก็คือที่แรกก็ว่าปัญญาแต่ปัญญาต้องพัฒนามปเป็นวิชาต่อเป็นวิชาแล้วต้องเป็นวิมุตตก่อนนั้นก็คืออะไรก็มีสติรละลึกรู้อยู่ปัจจุบันยทั้งมาเป็นสมาธนะิเห็นไหมพอเป็นสมาธิ พอสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยถ้ามันไม่พัฒนาเป็นปัญญาเป็นวิชาปัญญาถักขึ้นไปเป็นเป็นวิชาวิชาแล้วก็สามารถทําลายกิเลสหลุดพ้นไปได้เพรามันอยู่ไกลนะแต่ทางโลกนี่เขาจะพูดอะไรก็จะพูดอย่างอยู่ตื้นๆเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเป็นเรื่องของภาษาก็เอ้ยมไม่ปฏิบัติทําก็ได้ว่ะปฏิบัติทำไม่ใจก็ว่างอยู่ใจก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ย จะไม่ได้คิดอะไรจะไม่ได้มีความโลภกดหลงเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่เห็นนะนั้นเรามาวัดเนี่ยจึงมาวัดใจมาวัดจิตตัวเองมาวัดคล้ายๆว่ามาตรวจสุขภาพจิตนั่นเองอ่ะเราเข้าวัดเนี่ยไปตรวจสุขภาพจิตคือไปเฝ้าดูเอาถ้าอยู่ในบ้านล่ะการตรวจสุขภาพเครื่องมือมันไม่ค่อยดีเครื่องมือมันเก่ามองไปนั้นก็นมีที่นอนมาตอนนี้ก็ อาหารการกินสะดวกสบายไม่จะเพื่อนแต่หน้าที่การงานไปเข้าเครื่องอื MRI ลองดูดิไปเข้าเครื่อ ง, อ MRI, อ ง, องอโอ๊ยไม่อยากไปหรอกตัว น, นั้นมันเข่งตัว น, นี้มันคัดอันนี้มันโหดเอาเข้าเครื่องดีๆอย่าได้เครื่องสแกนกี่เด็ดีๆแล้วก็ต้องไปหาในที่มันสงบจริงๆแล้วก็ทำความเพียรเฝ้าเลืลึกรู้ดูจิตตัวเองอยู่ทั้งน้นเราเกิดปัญญาเนี่ย ชำระล้างกิเลสได้เออกิเลสมันหมดเนาะอันเนี้ยเขาท่าละมันไม่มีละสามวันหาวันเจ็ดวันสิบวันยี่สิบวันวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นอากาลิโกแล้วไม่ประกอบตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงตอนหนาวอะไรมันก็ปกติได้ตลอดเพราะจิตเนี่ยมันจะเกิดญาณปัญญาอย่างรู้ว่าจิตหลุดผลแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างเนี้ย การกรทำอื่นพาะไปทำให้มันมาเป็นสมาธิซะไม่ต้องไปทำไปทำเพื่อดับทุกข์ไม่ต้องไปทำเดินจงกรมเพื่อละวางอารมณ์ไม่ต้องทำนี่เขาเรียกว่ามันมีญาณมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่าเออทุกข์มันดับนะทุกข์มันมีเท่านี้นะจบแล้วนะปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนั้นพุทธศาสนาเนีมันมีมีภาวะของการรู้ ความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงอการละปาวาสารจบสิ้นกระบวนการทั้งหมดของความทุกข์ทั้งหลายนี่ที่เขาบอกว่าเอา้ศาศาสนาพศีอ่านปรากฏเกิดขึ้น เ, เพิ่มเพิ่มพอใดเมื่อไหร่ที่สมาธิมันมีปัญญามันมีเกิดวิชาขึ้นมาเกิดทําลายกิเลสได้เอา้า ภาวานะนั้นจิตมันมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานผ่องใสว่องไวอยู่ในตัวมันก็ไม่เรียกว่าศาสนาพระศีอารามปรากฏก็จะเรียกว่าอะไระบางทีเขาเรียกว่าแดนสุขาวีนีสุขาวดีสุขาวตนะิไปแล้วไม่มีทุกข์จิตภาวะที่เข้าสู่ในภาวะนี้มันไม่มีทุกข์ถามว่ามันเข้าไปอยู่ไหม มันไม่ใช่เข้าไปอยู่คือมันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ออกไม่มีที่เข้าถ้ายังมีที่อยู่ก็แสดงว่าจิตเ่มันติดสมาธิอยู่มันไม่ใช่วิปัสนาญาณที่แท้จริงนันก็ใส่ใจนะใส่ใจที่เรียนรู้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงสัจธรรมไม่ได้นะอนุโมทนา